ด้วยพระนามของอ a ล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ้สองสะดุดีแด่อ a ล l a h และโปรง่งเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาติละหุมลกุศสมาวาติวัลอับดยุหีวะยุมิต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 พระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและพระงเป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในสวง อ, อกอาเมนดิลลลลอวรสูลีวะอัลฟิกุมม์มาจัาลลัลกุมุสตคลฟินฟี ه. ฟาลลิบินอามนุมิลกุมวา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 พระองค์เป็นผู้ประทานองค์การัละัดแจ้งลงมาแก่มฮัมหมัดเบาของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแ ท, ท้จริง อัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงแมตตาเสมอต่อพวกเจ้า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 ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในทางของล้อก่อนการพิชิตนครมกาชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในนทางของล้อหลังจากพิชิตนครมกาแล้วล้อได้สรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่าย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 ย์ูม์ ن รั ا มَูมีนีนัลَ ن ม ت ัมีนัตِ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์َ์์ُ์َ ا ์์์ِ์์์์์์์์์์َ์์์์์์์์َ์์์์์ و ์ ز ُ ا ل ์์์์์์์์์์์ ن ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا، ظرنا و نقت بسم ن ل ن و ر ك م قل ي أرجعوا رأكم فلتنسوا ن ر ا فضرب بينهم بسور ا ل َ ه ب ب د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 ว่าตรบสตุมอารตบุตมุ غ ض ض ك م ا ل أ م ا า ي ح ت ى ج ا ล أمر ا ل ل ร وغضوا بالله ا ل อร و รพวกเขาพวกกลับกลอกจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาพุสถาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าเดาหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกลอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและบรรชัยทอนได้ลอ่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับ ALL AH> อัลลอฮ์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 أَلَمْ ي َ ح ْ ن ِ ل ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا أ َ ن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ م ِ ن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ي <تصفيق> َ ن ْ م َ ي ِْ ي ن و َ ل َ ي ِ م ُ ا สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการระลึกถึงมาลวมและสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ทะ่รับคำพีมาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมาก จึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจมแจ้งแก่พวกเจ้าแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาให้ถ่วงอินนัลมุศลติกีนแลมุศลติกาติและอัรดุลลอฮฺข้อัน ن และอักรดุลลอฮฺข้อดั่ ن ียุฎาข์ล่ะม์และล่มอัจร์นรมแทิบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อัลลอฮยืม บริจาคในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่จะมีผลบุญเพิ่มให้แก่พวกเขาและสัรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันมีเยี่ลลมยม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 ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของเราชนเหล่านั้นเป็นชาวนรก ك م ث تلغيت أعجب الخفا ونباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا ว่ามลลามีชีวิตอู่งโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการลเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันการสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดั่งน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผล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 سابقو إلى مغفرة من ربك م وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ي ؤ ت ي ه م ن يشاء والله ذو الفضل العظيم. จงเร่งรีบสู่การขอไพย่โทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์และรอซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่โปรมงทรงประสงค์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่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 และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอรวนั้นม่ทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโอ้ h, วคลลือ บ, บรรดาผู้ตรหีและสั่งสอนคนให้ตระนี และผู้ใดที่ผิดหลังให้ถ้าจริงอัล่อฮนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญ ว้นหิโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคำทีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้นำรงอยู่ในความเริ el ่งธรรม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 وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ب ِ ن ِ م َ ر ي م و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَاهُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ ر َ أ ف َ ة ً وَرَحْمَةً و َ ر ه ب د ً ا ي ة ت َ ن ِ ب َ ت ْ دَعُوهَا مَا ك َ ت َ ب ْ ن ا ه َ ا عَلَيْهِمْ إلَّا ب ت ِ غ َ ا ر ِْ ض َ و ا ع ِ ا ل ل َّ ه فَمَا رَعُوهَا حَصْرِ ع َ ي ْ ت ِ ه َ ا แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาพูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารยาตามมาและเราได้ประทานคำฮีอินยืนให้แก่เขาและเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจ ของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของเราแต่พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประทานรางวัลของพวกเขาแก่บรรดาผู้ศรัทธานในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืนยาอิยาลล์ดีลลัมอัมนุตตักุลลอฮ์แลอัมินุบิรษูลี รรโอ้ผู้สัทธาทั้งหลายจงยังเกรงอัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อศาสนาทูตของพระอรงค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าแตะ่จะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิต และจะส่งอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วรนั้นเป็นผู้ส่งอภัยผู้สง่งเมตตาเสมอทีอัลลอฮฺทรงรู้จักผรูะบัญญลกพระบอัลลอฮฺทรงรกผูทีรู้ัิะิลลฮงรัี้ะิูีัะัลลอฮะิะีทังี้ เพื่อชาวคำพีจะได้รู้ว่าพวกเขาไม่เหียมนาดเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอลัลลอ์และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้มพระหัตของอลัลละ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเท็ดซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่